เรื่องที่15การต่อต้านพุทธศาสนาของเดรัถถีเฉพาะภาคพื้นโกศลชาวพุทธทั่วไปไม่ค่อยติดใจที่จะพูดจะคิดเรื่องอุปสรรคในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่าใดนักทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าของเราก็ถู ก, กัดขวางกล่แกลง้งและกระทำร้ายจากฝ่ายศัตรูอย่างโชคชนทั้งนี้เนื่องจากชาวพุทธได้รับการอบรมจากศาสนา ให้แผ่เมตตาและรู้จักให้อภัยแก่ผู้มุ่งร้ายไม่ชอบรื้อฟื้นความล่วงเกินของคนอื่นมาครุ่นคิดอาจจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเป็นอกุศลแต่ถ้าเราไม่คิดไม่พูดเรื่องทํานองนี้กันบ้างก็จะทำให้อนุชนดูเบาในคุณค่าของศาสนาเพราะใจคนเรามันแปลกเหมือนกันของดีๆแต่ถ้าได้มาง่ายๆก็ให้ราคาถูกๆ อย่างเช่นพระพุทธรูปที่หล่อใหม่ๆสีสันผิวพรรณก็เปล่งปลั่งสวยงามแต่คนก็เฉยๆไม่เหมือนพระเก่าถึงจะแตกหักปิดเบี้ยวเท่าไหร่ก็เช่ากันด้วยราคาแพงๆเพราะเรื่องได้มาโดยยากนั่นเองอันที่จริงศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่เราได้มาแสนยากลำบากไม่แพ้ศาสนาอื่นๆที่ยังยืนอยู่ในโลกเวลานี้ หากแต่ด้วยพระปีชาสามารถอันยอดเยี่ยมของพระพุทธองค์เท่านั้นจึงไม่มีการรบราฆ่าฟันกันถึงเลือดตกยังออกอย่างบางศาสนาแต่เมื่อเรานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในระหว่างพระสัสดาของเราทรงประกาศศาสนาแล้วก็อดที่จะรู้สึกรันทดใจไม่ได้ดังที่ผมจะย่อเรื่องยุ่งยุ่งในประเทศโกศลมาเล่าสู่กันฟังบางท่านอาจนึกวาดภาพไม่ออก ว่าประเทศโกศลอยู่ที่ไหนและเกี่ยวกับศาสนาของเราอย่างไรจึงขอเรียนให้ทราบก่อนคือตามที่เราเรียนกันมาว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในชมพูทวีปนั้นความจริงคำว่าชมพูทวีปเป็นชื่อของภาค พ, พื้นอันกว้างใหญ่มากตั้งแต่เทือเขาฮิมาลัยเรื่อยลงไปจนถึงทะเลทางด้านอ่าวเบงกอลและอ่าวบอมเบย์ทุกวันนี้ ืแผ่นดินทั้งหมดมีเรียกว่าชมพูทวีปในครั้งพุทธกาลแผ่นดินชมพูทวีปแบ่งออกเป็น16ประเทศเล็กบ้างใหญ่บ้างบางประเทศก็เล็กขนาดจังหวัดเล็กเล็กของเรานี่เองเช่นประเทศสกกะอันเป็นชาติภูมิของพระพุทธเจ้าทั้งประเทศมีพลเมืองไม่ถึงแสนครอบครัวนับว่าเล็กมากดังนั้นประเทศต่างๆจึงจับกลุ่มกันเข้าเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือประเทศแถบเหนือฝั่งแม่น้ำคงคาขึ้นไปจดเขาฮิมาลัยเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายเหนือประเทศแถบฝั่งใต้แม่น้ำคงคาลงมาทางทะเลเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นฝ่ายใต้นี่แบ่งโดยสังเขป พ, พอให้ท่านผู้ฟังนึกวาดภาพออกการแบ่งกลุ่มนี้ถ้าเรียกอย่างสำนวนสมัยใหม่ก็เรียกว่าค่ายแต่ แทนที่จะเรียกว่าค่ายตะวันออกค่ายตะวันตกน่าจะเรียกว่าค่ายเหนือค่ายใต้ของเขาแต่ละค่ายก็มีประเทศมหามนาเป็นผู้นาเหมือนกันแต่ที่ต่างกันคือผู้นำค่ายเขาไม่ทะเลาะกันอย่างทุกวันนี้เขามีแต่ความรักใคร่กลมเกลียวกันและดำเนินการเพื่อความสมัครใทางค่ายเหนือมีประเทศโกศลเป็นพี่ใหญ่คนครหลวงอยู่ที่สาวัตถี มีพระราชาประสเสนที่เป็นประมุกทางค่ายใต้ก็มีประเทศมคตเป็นพี่ใหญ่นครหลวงอยู่ที่ราชครือมีพระราชาพิมพ์พิสารเป็นประมุกทั้งสองฝ่ายได้การช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดเช่นพระราชาทางฝ่ายเหนือก็ได้ให้พระน้องนางมาเป็นอัครมเหสีของพระราชาฝ่ายใต้ทางฝ่ายใต้ก็ได้ช่วยเหลือฝ่ายเหนือโดยส่งนายทุน ไปลงทุนในประเทศโกสลอยากจะขอเล่าแทรกไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งถึงเรื่องการช่วยเหลือระหว่างประเทศในยุคโน้นเพราะสมัยนี้ก็เป็นสมัยช่วยเหลือกันเหมือนกันต่างกันนิดเดียวที่ว่าสมัยโน้นหัวหน้าค่ายกับหัวหน้าค่ายช่วยเหลือกันแต่สมัยนี้หัวหน้าค่ายพยายามช่วยประเทศบริวารของตัวแล้วก็หัวหน้ากับหัวหน้าก็ท้าทายกันให้ลูกน้องดูในสมัยนั้น ทางประเทศโกศลได้ให้พระน้องนางของรพระเจ้าประสิทธิมาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งประเทศมคฏในโอกาสเดียวกันนั้นก็ได้ให้สตรีสาวที่สวยงามติดตามมาเป็นบริวารจำนวนมากครั้นมาถึงแล้วสตรีเหล่านั้นก็ได้แต่งงานกับพวกเสนาบมดมาีพ่อค้าค้าราชรในราชเ ค, ครือมคฏก็กลายเป็นทองแผ่นเดียวกับ ชาวโกสนทางด้านประเทศมคตซึ่งเป็นประเทศที่มั่งคั่งก็ได้ให้การช่วยเหลือแก่ประเทศโกสนในทางลงทุนมีเรื่องเล่าไว้ในบาลีว่าสมัยนั้นประเทศมคต ม, ม, มีมหาเศรษฐีอยู่ห้าคนเป็นนายทุนใหญ่ทั้งนั้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศโกสลฝ่ายมคตได้ส่งนายทุนใหญ่หนึ่งในห้าคนนั้นไปให้ คือให้อพยพไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้นเลยทีเดียวผู้ที่ไปคือเศรษฐีทนัญชัยในการไปก็อพยพไปกันหมดทั้งญาติพี่น้องและบริวารจำนวนถึง500ครัวเรือนครั้นไปถึงก็ตั้งเมืองขึ้นใหม่เมืองหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่าเมืองสาเกตกลับเข้าเรื่องการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า พระพุทธเจ้าเป็นชาวโกศลคือชาติภูมิและพระญาติทั้งหมดของพระองค์อยู่ทางโกศลแต่ตอนออกทรงผนวดได้เสด็จจาริกลงมาทางมคตผลที่สุดก็ได้ตรัสรู้อยู่ทางมคตและทรงเริ่มประกาศพระศาสนาในประเทศมคตก่อนพระองค์ทรงสามารถปฏิวัติจิตใจของประชาชนชาวมคตเข้าสู่พุทธศาสนาได้อย่างงดงามประมาณอย่างคร่าวๆ ว, ว่า ทรงใช้เวลาหนึ่งปีสำหรับการประดิษฐานศาสนาในประเทศมาคตในระยะเวลา1ปีนั้นพระองค์ได้เสด็จไปเยือนกรุงกบิลพั์ครั้งหนึ่งชั่วระยะเวลาอันสั้นแล้วก็เสด็จกลับมาคตอีกการเสด็จเพื่อประกาศศาสนาในประเทศแถบเหนือได้ทรงกระทำเป็นกิจลักษณะจริงๆในต้นปีที่2หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ ซึ่งก็หมายความว่าหลังจากการประดิษฐานศาสนาในประเทศมคดเสร็จสิ้นแล้วในการประกาศศาสนาในประเทศแถบเหนือพระองค์ได้เสด็จตรงไปยังเมืองหลวงของประเทศโกศลทีเดียวคือสาวัตถีอันเป็นเมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจผู้นําค่ายฝ่ายเหนือดังกล่าวแล้วโปรดสังเกตด้วยว่าตลอดเวลาหนึ่งปีที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาอยู่ธรรมคตนั้น กิติศัพท์ของพระองค์ได้ระบือมาถึงประเทศโกศลก่อนแล้วเฉพาะอย่างยิ่งทางนักบวชนอกศาสนาชนิดต่างๆเช่นพวกเดรถีนิครนเป็นต้นทำให้บรรดาคณาจารย์ดั้งเดิมของชาวโกศลพากันหวั่นวิตกและเก่งข้อที่จะพทัทสะศาสนาใหม่ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่โกศล เจ้ารัีเหล่านั้นก็เริ่มแผนร้ายของเขาทันทีดังจะสรุปเฉพาะเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำคัญดังนี้ 1. การปลุกปั่นในราชสำนักมีหลักฐานกล่าวพาดพิงถึงอยู่หลายแห่งว่าพวกเดรธีได้พยายามปลุกปั่นพระราชาประเซนตีให้เข้าใจผิดในพระพุทธเจ้าและพระสาวกโดยวิธีเกลี้ยกล่อมพวกเสนาห ม, มาด ร, ราชาปุโรหิต เข้ามาเป็นสมัครพรรคพวกแล้วให้บุคคลเหล่านั้นคอยเพชรทูลใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและพระสาวกในแง่ต่างๆแต่วิธีดังกล่าวก็ไม่สู้จะได้ผลเพราะพระราชาประสิธิทรงติดต่อกันอยู่อย่างใกล้ชิดกับพระราชาพิมพิสารและพระกนิษฐภพกคินีของพระองค์ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วคือพระราชาและพระราชินีแห่งประเทศโกศล พระองค์จึงทรงทราบทราบความเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกมากพอสมควรก่อนที่กระบวนการทุกศาสนาจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศโกศลเสียด้วยซ้ำา 2. กกำจัดเสนาบาดีพันธุระท่านเสนาบาดีพันธุระเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพระสหายใกล้ชิดกับพระเจ้าประสทิทธิทมาก เพราะเคยร่วมการศึกษากันมาแต่ครั้งยังเยาว์วัยคุณธรรมของท่านเสนาบดีนั้นนอกจากจะเรียกร้องความนิยมชมชอบของประชาชนสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ยังเป็นการดึงดูดจิตใจของคนที่นับถือลัทธิอื่นๆให้สนใจในพระพุทธ ศ, ศาสนาด้วยประการสำคัญยิ่งกว่านั้นท่านเสนาบดีได้เป็นที่ไว้วางพระราชาหฤไทยของพระราชาประสิธิ ยิ่งกว่าอำมมตดคนอื่นๆด้วยข้อนี้ทำให้พวกเดีรถีพากันเคืองแค้นชิงชังท่านเสนาบดีเป็นอย่างมากจึงได้พยายามกำจัดโดยวิธียุโยงในราชสำนักให้พระราชาทรงระแวงพระทัยว่าพันธุละจะกบฏจนกระทั่งในที่สุดพระราชาก็ทรงเชื่อฝ่ายยุโยงเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางชายแดน จึงทรงส่งท่านเสนาบดีไปอำนวยการปรับรามครั้นแล้วก็ส่งเพชฌฆาตลึกลับไปดักฆ่าท่านเสียการตายของท่านเสนาบดีพันธุละจึงเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในวงการพุทธศาสนาครั้งนั้น 3. การใส่ร้ายโดยนางจินจาการโฆษณาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและพระสาวกมีอยู่ทั่วไปในสมัยนั้น ซึ่งเป็นของธรรมดาสำหรับคู่แข่งขันที่จิตใจต่ำอย่างนั้นแต่มีการใส่ร้ายที่หยาบคายร้ายแรงครั้งหนึ่งโดยนางจินจาหรือที่เรียกกันในตำราทางศาสนาว่าจินจามนาวิกาพวกเดรถีได้วางโกนุบายให้นางจินจาแซงทําเป็นเดินเข้าๆออกออ ก, อ, อ, กอยู่ที่วัดเจตวันในคราวที่พระสัสดาของเราประทับอยู่ที่นั่น และในโอกาสเดียวกันตัวก็พยายามปล่อยข่าวว่าได้ไปหลับนอนกับพระพุทธองค์เวลากลางคืนครั้นเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควรก็ผ้าพันท้องแสดงว่าได้กั้งท้องกับพระศาสดาแล้วและค่อยๆเพิ่มผ้าทําให้ท้องโตตามลาดับการอสมควรการโฆษณาใส่ร้ายครั้งนี้ได้ผลมากทีเดียวในตอนแรกๆ ประมาณ7 8ถึงเดือนคือสามารถทำให้เกิดการซุบซิบนินทาพระศาสดากันอย่างกว้างขวางพวกสาวกเทวถีก็ช่วยกันกระพือข่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ผลที่สุดเทวดาก็ไม่เข้าข้างคนผิดวันหนึ่งในตอนที่นางชินจาแสดงว่าตนมีคันแก่จูนจะถึงเวลาคลอดแล้ว นางได้พลังงานยืนขึ้นทำทีต่อว่าต่อขานพระพุทธเจ้าที่พระองค์กําลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางประชาชนนวัตเชตวันนางจินจาต่อว่าพระองค์ว่าจนกระทั่งท้องแก่จะถึงวันคลอดอยู่แล้วพระองค์ยังไม่ได้ตกลงว่าจะให้คลอดที่ไหนว่าพลางแสดงอาการเกลี้ยวกลาอดระคนความน้อยใจด้วยท่าทางมารยาต่างๆ บังเอิญต้นไม้พันผ้าที่นางผูกไว้ที่ท้องคือเพื่อแสดงว่าตนมีท้องได้ขาดและหล่นตุบลงเมากับพื้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเท็จก็ปรากฏทำให้ประชาชนทราบความจริงในที่สุดส่วนตัวนางจินจาก็ถูกธรณีสูบในขณะที่วิ่งออกไปถึงนอกวัดเชตวัน 4. การป้ายสีโดยนางสุนทรี เหตุการณ์ครั้งนี้คล้ายๆกับเรื่องนางชินจาแต่พระพุทธองค์ทรงถูกกล่าวหาในคดีอาญารุนแรงกว่าเรื่องก่อนคือพวกเดรัจีจ้างนางสุนทรีปล่อยข่าวว่าพระศัสดาได้ร่วมหลับนอนกับตนครั้งต่อมานางสุนทรีก็หายหน้าไปพวกเดรทจีก็ไปแจ้งความแก่ฝ่ายบ้านเมืองในฐานะที่นางเป็นสันนิษฐ์ษ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบหาตัวและบอกด้วยว่าได้มีผู้เห็นนางครั้งสุดท้ายใกล้ๆที่ประทับ พ, พระพุทธเจ้าคือที่วัดเฉตวันผลการค้นหาของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าได้พบศพนางสุนทรีอยู่ในกองขยะไม่ห่างจากพระกันทั ก, กุดีเท่าไหร่นะักเป็นศพถูกฆาในการคลี่คลายคดีเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนด้วยความว่า ก่อนตายนางสุนทรีเคยบอกใครๆว่าตนไดอาร่วมหลับนอนกับพระศาสดาเป็นประจำข่าวนี้มีคนรู้กันมากและมีคนเคยเห็นนางเดินเข้ามาในเขตวัดยามค่ำคืนและเดินกลับตอนเช้าตรู่เป็นอย่างนี้เสมอเจ้าหน้าที่จึงปักใจไปว่านางสุนทรีอาจถูกพระศาสดาฆ่าปิดปากเพื่อมิให้นำเรื่องที่ได้เสียกันไปแพร่งพาย คราวนี้ได้หหมเข้าสู่วงการพุทธศาสนกชนอย่างรุนแรงเล่นเอาพุทธศาสนาแทบจะตั้งตัวไม่ติดแต่เทวดาก็ไม่เข้าข้างคนผิดอีกขณะที่ทุกคนกำลังปักใจไปตามผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นั่นเองพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งได้มีการเลี้ยงเล่ายาอาหารกันครั้นเล่าเข้าปากกะพากันพ้นความลับออกมาในทานองที่ว่า พวกตนเป็นผู้ค่านางสุนทรีเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มนักเลงเหล่านั้นไปสอบสวนทุกคนก็ให้การรับสารภาพว่าได้ค่านางสุนทรีจริงและได้สัดทอดไปถึงพวกเดรถีว่าเป็นผู้ให้สินจ้างในการกระทำนั้น 5. ท้าแข่งริดเนื่องจากในระยะแรกๆของการประกาศศาสนาได้มีภาษาว o e ของพระพุทธเ จ, จ้าชอบแสดงลิดเทตต่าง แข่งกับนักปวดและที่อื่นต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามมิให้แสดงโดยที่ทรงปรารบว่าการแข่งริดเดดไม่ใช่ทางที่จะบรรลุนิพพานจะเป็นทางให้พระพุทธศาสนกชนพากันหลงงมงายพวกเดร ถ, ถีได้ทราบเรื่องนี้จึงฉวยโอกาสท้าทายที่จะแสดงริดแข่งกับพระพุทธเจ้าเพื่อให้โลกรู้ว่าพวกตนเป็นคนวิเศษกว่า การที่พวกเดรธีกล้าท้าทายก็คงจะคิดว่าเมื่อพระสัสดาทรงห้ามพระสาววกแข่งริตแล้วก็คงจะไม่รับการท้าทายของพวกตนเพราะจะเป็นการฝืนคำสั่งของตนเองแต่การกลับตรงกันข้ามเมื่อพวกเดรธีท้าทายพระสัสดาก็ทรงรับการท้าทายในทันทีโดยที่พระพุทธองค์ทรงให้เหตุผลว่าที่ทรงห้ามนั้นห้ามพระสาวกเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่แสดงฤทธิ์ในคราวจำเป็นต้องแสดงเพื่อความมั่นคงของพระศาสนาผลที่สุดการแข่งฤทธิ์ครั้งใหญ่ยิ่งก็ได้มีขึ้นที่บริเวณชาญเมืองสาวัตถีและไม่มีปัญหาอะไรพระศาสดาทรงชนะอย่างเด็ดขาดการแสดงครั้งนี้เรียกว่ายมกปฏิหารแปลว่าปาฏิหารคู่ หลังจากพวกเดร ถ, ถีได้ปราชัยในคราวแสดงยงมกงปฏิหารแล้วการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามก็สงบเงียบลงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปโดยราบรื่นสืบมา10กรกฎาคม2504